ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนพระสูตรพระสูตรเกี่ยวกับอริยสัจนะครับซึ่งพระสูตรยาวๆที่นำมาก็คือสัจจวิพังคสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องการจำแนกอริยสัจทั้งสี่ แต่ก่อนที่จะเรียนสูตรนั้นก็เรียนสูตรสั้นๆที่กล่าวถึงเรื่องอริยสัจบ้างเล็กน้อยนะเปิดมาในหน้าที่หนึ่งชื่อสูตรแรกที่จะเรียนชื่อว่าปัรมวัตชีสูตรปฐมวัตชีสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นวัตชีสูตรที่หนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นวัดชีพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องอริยสัจอันนี้แสดงพระสูตรนี้นะครับในบาลีข้อ1698และก็บาลีข้อ1699เดี๋ยแล้วเราอ่านพร้อมกันก่อนนะครับเอกังสั ม, มยังภักขวาวัดชีสุ วิหารติโกติคาเมตัตระโขพควาพิกพขูอามันเตสิจตุนนางพิกเวอริยสัจจานังอ น, นุโพธาอปติเวธาไอวามิดังดีฆมัทธานังสันทาวิตัง สังสริตังมะมันเจวะตุมมหากันจะกะตะเมสังจตุนังดุขัสสะพิโขเวอริยสัจจสัระ น, นุโภธาอปติเวธาเอวะมิดังดีคะมัทานังสันทาวิตัง สังสริตังมะมันเจวะตุมมหากันจะดุขะสมุทยสสะอริยสัจจสสะดุขะนิโรธัสสะอริยสัจจสสะดุขะนิโรทคามินีปฏิปดายะอริยสัจจสสะอา น, านุโบธา อปติเวทาเอวะมิดังดีฆมัทธานังสันทาวิตังสังสริตังมะมันเจวะตุมมหากันจะตายิดังพิกเวดุขังอริยสัจจังอนุพุทธังปฏิวิทธัง ทุกขสมุทโยอริยสัจจังอนุบุตถังปฏิวิธังทุกขนิโรโยอริยสัจจังอนุบุตถังปฏิวิธังทุกขนิโรทคามินีปฏิปดาอริยสัจจังอนุบุตถังปฏิวิทัง อุดชินนาพวตันหาขีนาพวเนตินัตดานิปุนัพโวติอิดัมวจะภควาอิดังวัตวานะสุขโตอถาปรังเอตนโวจะสัทธา จตุนังอริยสัจจานังยถาภูตามดศสนาสังสริตังดีขมัทธานังตาสุตาสเววชาติสุญานิเอตานิดิธานิภาวะเนติสมุหตาอุดจินังมูลังดุขสะ นาธิดานิปุณพโวติปถมวัชีสูตรพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสที่แคว้นวัชีสูตรที่หนึ่งบาลีข้อ1698อเกอกังสมยังในสมัยหนึ่งพัควาวัชีสุวิหารติโคติคาเม พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่หมู่บ้านโกติคามในแคว้นวัชชีโกติคามีก็เป็นชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อว่าโกติในแคว้นวัดชีตาตระโขพควาภิกขูอามันเตสิในที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า จะตุ น, นังภิก เ, เวอริยสัจจานังอ น, นุโบทาอปติเวทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้แทงตลอดอริยสัจทั้งสี่อ น, นุโบทาแปลว่าไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้รู้โดยลําดับหรือว่าไม่ได้มองเห็นไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ด้วยญาณภายใน การรู้ด้วยญาณภายในนะก็เรียกว่าตรัสรู้นะรู้ด้วยความรู้ที่เป็นปัญญาญาณจากภายในอัปติเวธาแปลว่าเพราะไม่ได้แทงตลอดนะไม่ได้แทงตลอดจดตุ น, นังอริยสัจจานังก็คือซึ่งอริยสัจทั้งหลายสประการดูก่อนภิสูจนทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้แทงตลอด ซึ่งอริยศัสตร์ทั้งหลายสประการมัมมันเจวะตุมมหากันจะนี่อยู่บรรทัดที่สมนั้นนะเราเราเราก็คือตัวพระพุทธเจ้ามัมมันเจวะก็แปลว่าเราด้วยตุมมหากันจะเธอทั้งหลายด้วยเราและเธอทั้งหลายเอวะมิดังดีขะมัททานังสันทาวิตังสังสริตังจึงท่องเที่ยว ท่องเที่ยวสันทาวิตังก็แปลว่าท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปแล่นไปหรือว่าวนเวียนไปอย่างนี้ก็ได้สันทาวิตังกับสังสริตังนี้ก็แปลเหมือนๆกันจากนั้นสองคำนี้ก็เป็นคำใช้คู่กันสันทาวิตังสังสริตังแปลว่าแล่นไปท่องเที่ยวไปวนเวียนไปอย่างนี้ก็ได้ นะครับสันทาวิตังปกติก็จะแปลว่าแล่นไปสังสริต่างก็จะแปลว่าท่องเที่ยวไปคําว่าแล่นไปท่องเที่ยวไปอย่างนี้หมายถึงว่าเกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, ตายวนเวียนไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดไม่หยุดหย่อนแล้วก็ไปไปมามาวนวนไปอย่างคนเคยไปอบายก็เดี๋ยวก็ไปอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าท่องเที่ยวไปอบายอยู่เรื่อยนะไปนรกแป๊บเดียว วันดีคืนดีเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าท่องเที่ยวไปในนรกอยู่เรื่อยบางทีเทวดาก็ไปสักหน่อยอา้าวไปอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าท่องเที่ยวไปแล่นไปในเทวดานะครับสันธาวิตังแล่นไปสังสริตังท่องเที่ยวไปเอวามิดังดีฆามัฏฐานังตลอดการอันยาวนานอย่างนี้ ดีฆมัทฐานังก็แปลว่าตลอดการอันยาวนานยาวนานขนาดไหนก็บอกไม่ได้หาที่สุดเบื้องต้นก็คือกําหนดเบื้องต้นว่าเริ่มมาจากไหนก็หาไม่ได้และถ้ายังไม่รู้อริยสัจยังไม่ได้แทงตลอดอริยสัจจุดจบในเบื้องปลายก็รู้ไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะนานอีกเท่าไหร่ก็เลยเรียกว่าดีคะมัฏฐานังคือยาวนานอย่างนี้นานมากความหมายคืออย่างนั้นนะครับ อันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้แทงตลอดเราและเธอทั้งหลายจึงเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการอันยาวนานอย่างนี้นี่คือรวมตัวพระพุทธเจ้าด้วยนะคือมัมมันเจวะก็คือเราด้วยคือพระพุทธเจ้าด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็มาสารภาพกับภิกษุทั้งหลายเหมือนกันพูดในทํานองนั้นนั่นเองก็คือที่พระองค์ได้วนเวียนท่องเที่ยวมา ไปนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจาญบ้างเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างก็เพราะว่ายังไม่รู้อริยสัจยังไม่แทงตลอดอริยสัจเราด้วยแล้วก็เธอทั้งหลายด้วยก็คือภิกษุทั้งหลายด้วยนะแต่นี้ท่านคงพระพุทธเจ้าคงจะแสดงธรรมะกับภิกษุทั้งหลายที่ได้รู้อริยสัจแล้วเพราะว่าจะบอกต่อมาว่าตอนนี้ได้รู้แล้วจึงไม่ต้องวนเวียนอีกต่อไปแล้ว ส่วนคนไหนที่ยังไม่รู้อริยสัจคนเหล่านั้นก็ยังต้องวนเวียนไม่แน่ไม่นอนไปอีกยาวนานมากนะเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยชาินี้อาจจะเป็นคนดีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ายังไม่รู้อริยสัจแลตายอย่างปุถุชนก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะฉะนั้นบางคนเขาทำไม่ดีแล้วก็ตายไปบางคนทำดีแล้วก็ตายไปถ้าตายอย่างปุถุชนมันก็พอๆกันแหละคือไม่แน่ไม่นอนเหมือนกัน อ่าเราทำดีตายแล้วไปสวรรค์สวรรค์มันก็ไม่เที่ยงนี่มันก็หมดอายุมันก็ตายไปเหมือนกันตายแล้วไปไหนอีกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้นะครับนี่มันแล่นไปและท่องเที่ยวไปอย่างนี้นะนนี้พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ต ร, รัสรู้ไม่ได้แทงตลอดซึ่งอริยสัจ ท, ทั้งหลาย4ประการ เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการอันยาวนานอย่างนี้สันธาวิตังสังสริตังที่ว่าแล่นไปท่องเที่ยวไปอันนี้หมายถึงเกิดตายเกิดตายวนๆเ ว, วียนๆไปซ้ำๆสักๆนะเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เดี๋ยวก็วันดีคืนดีก็อา้าวเดี๋ยวมาเป็นอีกแล้วนะเป็นหมาเป็นแมวอย่างเงี้ยนะตายจากมันไป วันดีคืนดีก็ไปเป็นอีกแล้วอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนั้นมายาวนานแล้วจนกระทั่งพระองค์ตรัสถึงว่าคนไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องกันนี้มันหาไม่ได้อย่างนั้นแหละต่อไปพระองค์ก็จะขยายความกัตเเมสังจตุนังอริยศาสตร์ทั้งหลายสี่ประการเป็นไฉหนะ ดุขสะสสพิกเวอริยสัจจสะอ น, นุโบทาอัปติเวทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้แทงตลอดซึ่งทุกขอริยสัจอริยสัจกล่าวคือทุกนี้เอวามีดังดีฆะมัทธานังสันทาวิตังสังสริตังมะมันเจวะตุมหากันจะเราและเธอทั้งหลาย จึงแล่นไปจึงท่องเที่ยวไปตลอดการอันยาวนานอย่างนี้เพราะไม่รู้ไม่แทงตลอดอริยสัจกล่าวคือทุกไม่รู้แจง้งแทงตลอดทุกขอริยสัจ ต, ต่อมาก็เป็นข้ออื่นทุกขะสมุทยัยสะัะอริยสัจจสะเพราะไม่ตรัสรู้เพราะไม่แทงตลอด ซึ่งทุกขะสมุทัยอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการอันยาวนานอย่างนี้ต่อไปอริยสัจข้อที่สานุกขนิโรธาสัจอริยสัจจัดสะเพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดทุกขะนิโรธรอริยสัจก็เหมือนกันนุกขนิโรทคามินีปฏิปปายะ อริยสัจจสัส น, นุโบธาอัปติเวธาเพราะไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้แทงตลอดซึ่งทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสั์เอวะมิดังดีฆะมัทธนานังสันธาวิตังสังสริตังมะมันเจวะตุมหากันจะเราและเธอทั้งหลายจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการอันยาวนานอย่างนี้ นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการตรัสรู้การแทงตลอดอริยสัจถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็ไม่แน่ไม่นอนแม้กระทั่งตัวพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันนะต่อเมื่อแทงตลอดตรัสรู้อริยสัจแล้วจึงไม่ต้องวนเวียนอกีกบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันการพ้นทุกข์โดยที่ยังไม่รู้อริยสัจยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้ว่าความจริงอันแท้จริงนั้นเป็นยังไง อันนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีการรู้อริยสัจเท่านั้นนะครับซึ่งคนที่จะรู้อริยสัจด้วยตนเองได้ก็มีสองบุคคลเท่านั้นเองคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนนอกจากนั้นอย่างเราทั่วไปก็เป็นสาวกก็คือมาฟังก่อนนะฟังอริยสัจนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติฝึกฝนจนกระทั่งตรัสรู้แล้วก็แทงตลอดอริยสัจได้ นะเป็นอนุพุทธเป็นสาวะกะพุทธไปส่วนคนไหนที่ยังไม่รู้อ ร, ริยสัจเขาก็วนเวียนไปเรื่อยๆนะทำนั่นทนํานี่สร้างทุกข์ให้เกิดตัวเองไปเรื่อยๆนะขุดเหวให้ตัวเองตกลงนะซึ่งเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> ก็คือมีเจตนาจะทำกรรมเพื่อตนเองนั่นแหละเขเรียกว่าขุดเหวให้ตัวเองตกลงไปตายนะอย่างนี้นะเราทั้งหลายคง ทำกรรมอะไรเยอะแยะใช่ไหม อ, อ, อยากให้ตัวเองดีอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองได้บุญเป็นเทวดาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ท่านอุปมาเหมือนกับว่าเราทั้งหลายนั้นขุดหลุมให้ตัวเองตกลงไปตายไม่มีใครทําหลุมให้เราตกนะเรานั่นแหละขุดหลุมให้ตัวเองแล้วก็ตกเองเลยตายเองเลยอย่างนี้ทําให้ตัวเองไปเกิดแล้วก็ทําให้ตัวเองไปตายใช่ไหมนั่นมันก็เป็นซะอย่างนี้แหละ ฉะนั้นพวกที่ไม่รู้อริยศาสตร์นี้เขาจึงสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองสร้างเหวสร้างหลุมให้แก่ตนเองแล้วก็ทํากับดักดักตนเองนะเราทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่จะดักคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วที่เขากำลังทําเพื่อตัวเองอยู่นั้นเนะี่ก็คือทํากับดักสําหรับดักตนเองนะให้ตัวเองไปติดกับดักแล้วก็เกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับนี่แหละนะ นี่พระพุทธเจ้าทัานก็ตรัสแม้แต่ท่านเองนะตอนที่ไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจไม่แทงตลอดอริยสัจก็วนเวียนมาอย่างนั้นเหมือนกันนะอริยสัจทั้งสทุกขะอริยสัจทุกขสมุ ท, ทยัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเพราะไม่ตรัสรู้เพราะไม่แทงตลอดอริยสัจทั้ง4เหล่านี้ เราและเธอทั้งหลายจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการอันยาวนานอย่างนี้นะครับต่อไปหลังจากพระองค์ตรัสสรู้แล้วพระองค์ก็บอกว่านี่การได้ตรัสสรู้อริยสัจทั้งสี่อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมีการวนเวียนต่อไปอีกตายิดังพิกเวดุขะอริยสัจจังอนุบุตทางปฏิวิธทางดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยาสัตว์อันนี้เราและเธอทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วได้แทงตลอดแล้วอนุพุทธทางก็แปลว่าได้ตรัสรู้แล้วปฏิวิทย์ทางได้แทงตลอดเรียบร้อยแล้วคําว่าแทงตลอดก็หมายถึงทะลุปลุกโป่งไม่มีข้อสงสัยไม่มีความลังเลในเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจว่าทําไมจึงมีแค่สี่ เราอาจจะถามก็ได้ว่าเอ๊ะทําไมจึงมีแค่สี่ที่ถามอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่ตรัสรู้ไม่แทงตลอดถ้าแทงตลอดแล้วก็จะไม่มีคําถามไม่ลังเลสงสัยอ้าวทาไมทุกขาริยาสัตว์จึงขึ้นก่อนละ่ะทําไมไม่เอาทุกขัดสมุทัยขึ้นก่อนเราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็หาคําอธิบายกันไปที่ตัวเองน่าพอใจถ้าคนไหนอธิบายให้เราพอใจได้ก็ดีใจสบายใจอันนั้นก็เป็นเพียงพวกไม่รู้จากอริยสัจเท่านั้นเอง พวกไม่ตรัสรู้อริยสัจพวกไม่แทงตลอดถ้าพวกแทงตลอดแล้วเขาก็เลิกสงสัยเลิกลังเลทีเดียวว่าอ้าวทาไมมึงจึงมีสี่ล่ะไม่มีเรื่องทําไมหรอกเพราะมันมีสี่มันจึงมีสี่มันมีสามเป็นไปไม่ได้มีห้าเป็นไปไม่ได้จึงมีสี่นะทาไมทุกจึงขึ้นก่อนล่ะก็มันขึ้นก่อนนั่นแหละมันจึงขึ้นก่อนอย่างเงี้ยนะไม่มีเหตุผลใดๆเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันนะครับคําว่าเหตุผลเหตุผลนี่ก็ ถ้าจะว่ามันเหตุผลก็เหตุผลเรื่องของธรรมะส่วนเหตุผลเรื่องทัศนคติหรือว่าอุดมคติอันนี้ก็แล้วแต่เราเนี่ยเราชอบอันไหนก็ถูกใจอันไหนก็ไปฟังแล้วอาจจะชอบใจพอใจแต่ว่าก็ยังไม่เกี่ยวกับธรรมะหรอกเรื่องธรรมะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับนี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขาริยสัตว์อันเราและเธอทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วได้แทงตลอดแล้ว แทงทะลุเรียบร้อยแล้วเลิกสงสัยเลิกหลังเล่เลิกมองหาคนนั้นคนนี้เรียบร้อยแล้วถ้าบางคนที่เขายังไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจอย่างเราทั้งหลายเราก็จะมองหาคนนั้นคนนี้อยู่ว่าคนไหนจะให้คําอธิบายที่เราพอใจได้ไปหาคนนั้นหาอาจารย์โน้นหาอาจารย์นี้เขาเลยเรียกว่าพวกปุถุชนนะครับพวกชอบมองชอบมองแงนหน้าหาครูอาจารย์ต่างๆ ใช้อาจารย์เปลืองความหมายคืออย่างนั้นนะแง้มมองไปเรื่อยว่าเออคนนี้ว่าอย่างไงคนโน้นว่าอย่างไงคนโน้นว่าอย่างโน้นคนโน้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าไม่เหมือนคนโน้นคนโน้นผิดคนโน้นถูกเขาก็หากันไปอย่างนี้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาไม่แทงตลอดนั่นเองพอไม่แทงตลอดมันก็ต้องเอามาเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบก็ได้ในแงม่มุมใดแง่มุมหนึ่งโอ้อันนี้ผิดอันนี้ถูกผิดผิดจากอะไรล่ะถูกถูกเพราะไปเทียบกับอะไรล่ะมันก็วนเวียนกันไป ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไม่แทงตลอดนะครับส่วนบุคคลที่แทงตลอดแล้วก็เลิกมองห า, าศาสดาเลิกมองหาครูอาจารย์เลิกแงนมองคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างโน้นคนโน้นว่าอย่างนั้นไม่มีแล้วอย่างนี้นะครับนุขะสมุทโยอริยสัจจังอนุบุตทางปฏิวิทัง ทุกขสมุทัยอริยสัจอันเราและเธอทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วได้แทงตลอดแล้วทุกขนิโรโธอริยส <inaudible> ัจจังอนุบุตทางปฏิวิธทางทุกขนิโรธอริยสัจอันเราและเธอทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วได้แทงตลอดแล้วทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจ ทุกขานิโรธคาไินีปฏิบนาอริยสัจจังอนุบุตทางปฏิวิธังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอันเราและเธอทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วได้แทงตลอดแล้วผู้ที่รู้อริยสัจจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็แจ่มแจ้งทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์ไปมีวิ ช, ชาที่สมบูรณ์ส่วนผู้ที่รู้ในตอนต้นรู้ในตอนแรกก็เป็นพระโสดาบัน นะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แจ่มแจ้งครบถ้วนทั้งหมดผู้ที่รู้ครบทั้งหมดก็เป็นพระอระหันต์นะครับอันนี้พระองค์ตรัสถึงทุกขอริยสัจก็ดีทุกขสมุทัยอริยสัจก็ดีทุกขนิโรธอริยสัจก็ดีทุกขออนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจก็ดีเราและเธอทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วได้แทงตลอดเรียบร้อยแล้ว อุดชินาภวะตันหาตัหาที่ติดข้องอยู่ในภพที่ทำให้ติดข้องอยู่ในภพอยู่ในสิ่งต่างๆก็ถูกตัดขาดเรียบร้อยแล้วนะด้วยการรู้อริยสัจนะตันหาที่ติดข้องในภพจึงจะถูกตัดขาดถ้ายังไม่ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตันหาความติดข้องความอยากได้ความต้องการต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ อยากได้อย่างนั้น lines, อยากได้อย่างนี้อ ย, อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากมีอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้พวกนี้เป็นภาวะตัณหานะถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่แทงตลอดอริยสัจจะตัดตัณหาเหล่านี้ไม่ได้นะเราทั้งหลายก็คงจะรับรู้ด้วยใจของเราเองทีเดียวถ้าไม่รู้อริยสัจเราก็คงจะอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่จนกระทั่งอยากเป็นคนบรรลุไปใช่รับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของภาวะตัณหานั่นเองคืออยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้นะครับจนกระทั่งอยากเป็นคนดีอยากเป็นนักปฏิบัติธรรมจนกระทั่งอยากบรรลุธรรมไปอยากเป็นคนบรรลุคำว่าอยากเป็นคนบรรลุมันก็เป็นภาวะตัณหาเหมือนกันนะทำไมต้องอยากเป็นคนบรรลุหละเพราะมันไม่บรรลุนีนมันต้องอยากเป็นใช่ั้ย ถ้ามันรู้รู้แจ้งอริยสัจแทงตลอดอริยสัจแล้วคงจะไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับนี่อุดชินนาภวะตันหาตันหาที่ติดข้องอยู่ในภพความอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถูกตัดขาดแล้วขีนาภวะเนติ กิเลสเครื่องนําไปสู่ภพต่างๆก็สิ้นไปแล้วกิเลสเครื่องนําไปสู่ภพนั้นภพนี้ภพโน้นก็สิ้นไปแล้วความติดข um ้องในภพอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็ถูกถตัดขาดตันหาหรือกิเลสที่นําไปสู่ภพต่างๆก็สิ้นไปแล้วภาวะเนติอันนี้คือชื่อของกิเลสที่นําไปสู่ภพต่างๆภาวะก็คือภพ ความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ความมีอย่างนั้นความมีอย่างนี้เนติแปลว่านําไปภาวะเนติกิเลสเครื่องนําไปสู่พบพบหรือว่าภาวะนี้คือความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างตอนนี้เราอาจจะบอกว่าเราเป็นมนุษย์ก็คือความมีความเป็นแบบมนุษย์อย่างเงี้ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างมนุษย์มีอารมณ์อย่างมนุษย์ส่วนไปเป็นเทวดามันก็เป็นพบอย่างหนึ่งคือความมีความเป็นอย่างเทวดา มีตาอย่างเทวดาหูอย่างเทวดาแล้วก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมอย่างเทวดาเท่านั้นเองนะครับแต่พบทั้งหลายนั้นมันน่ากลัวทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นกับดับเยื่อล่อให้เราติดข้องนะครับนี่ตัณหานี่นะมันวนเวียนอยากได้นั่นอยากได้นี่นำเราไปที่นั่นนำเราไปที่นี่ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงแต่เมื่อรู้ความจริงแล้วแทงตลอดความจริงแล้วอุดฉินนาภวะตัณหาตัณหาคือความติดข้องในภพก็ถูกตัดขาดขีนาภวะเนติกิเลตันหาที่นำไปสู่ภพก็สิ้นไปนัตติดานิปุนัพพโวบัดนี้ภพใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไป บุนัพโวแปลว่าพบใหม่การเกิดมันอันใหม่ๆความอยากมีอยากเป็นอันใหม่ๆนตอนนี้เราเป็นคนไม่ดีใช่ไ้ยอยากเป็นคนดีไหมนะการเป็นคนดีนั้นเรียกว่าพบใหม่ตอนนี้เราคิดไม่ดีอยากเป็นคนคิดดีไหมอยากนั่นเรียกว่าพบใหม่ตอนนี้เป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาไหมอยากอันนั้นเป็นพบใหม่แต่ว่า ผู้ที่รู้อริยสัจแล้วความรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้มีนะความรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากที่กำลังเป็นอยู่นั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นความมีความเป็นอันใหม่ๆที่นึกถึงที่ต้องการที่อยากได้ด้วยอานาจตัณหานั้นก็เรียกว่าปุญนับพโวปุญญนับภวะคือพบใหม่ความมีความเป็นอันใหม่ๆเรามีเงินเท่านี้อยากมีเพิ่มหรือเปล่า ถ้าอยากมีเพิ่มก็เรียกว่าพบใหมนะ่เราทั้งหลายนี่พบใหม่ตลอดแหลนะบางคนนี่กำลังจะนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำโน่นทํานี่เามีแผนการายาวเป็นหางว่าวทีเดียวอันนี้พวกพบใหม่เยอะไปหมดพวกนี้พวกนี้ก็จะขุดหลุมมาฝังตนเองไปเรื่อยๆนะทำโลงศพมาให้ตัวเองนอนไปเรื่อยๆหลายๆโรงไปนะเขาก็ว่ากันไปแหละ นะครับความมีความเป็นอันใหม่ๆอันนี้ก็เรียกปุญัพะวะัภพบใหม่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ทําไมมันจึงอยากละ่ะก็เพราะไม่รู้อริยสัจพวกไม่รู้อริยสัจก็จะมีความอยากมีอยากเป็นก็ไปทําตามตัณหาตามความอยากได้ส่วนท่านที่รู้อริยสัจแล้วท่านทํำไหมท่านทําแต่ว่าไม่ได้ทําเพราะอยากมีอยากเป็นอะไรไม่ได้ทําเพราะพบใหม่พระอรหันต์ตื่นเช้าขึ้นมาไปบินธบาติไหมบิณธบาตเหมือนกัน แต่ว่าไม่ใช่อยากได้อาหารไม่ใช่อยากคนนั้นไม่ใช่อยากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะหวังจะได้เป็นอย่างนั้นหวังจะได้เป็นอย่างนี้ไม่มีไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่พอเข้าใจไหมนี่ท่านที่รู้อริยสัจเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปพบเล็กเล็กน้อยน้อยความอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้เพิ่มอยากต่างๆไม่มีแล้วจนกระทั่ง พบใหม่จริงๆอย่างพวกเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือว่าเป็นมนุษย์อีกก็ไม่มีอีกต่อไปนะครับนี่รู้อริยสัจแล้วอุดชินนาภวะตัณหาตัณหาที่ติดข้องในพบก็ถูกตัดขาดขีนาภวะเนติกิเลสเครื่องนำไปสู่พบก็สิ้นไปแล้วนัตติดานิปุนัปภวติบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มี นะครับฉะนั้นก็ขอให้เราฝึกฝนให้รู้อริยสัจนะให้รู้ความจริงจะได้มีภวะตัณหาสิ้นไปแล้วความอยากได้อยากมีอยากเป็นจะได้สิ้นไปแล้วก็พบใหม่ความอยากมีอยากเป็นอันใหม่ๆก็จะได้ไม่มีนะครับนี่พระละหันท่านก็รู้อริยสัจครบสมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีพบอันใหม่ๆไม่มีการกระทําเพื่อตัวเอง ให้ได้นั่นได้นี่อยากมีอยากเป็นอันใหม่ๆแล้วนะต่อไปหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาอิดามโวจะภะควาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรอย่างนี้จบลงเรียบร้อยแล้วอิดังวัตวานะสุขโตอาถาปรังเอตะนโวจะสัตถาพระสุขศาสดาขันตรัส อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสคาถานี้ต่อไปว่าจะตุนนังอริยสัจจานังยถาภูตะมัฏสนาสังสริตังดีขมัฏฐานังตาสุตาสววชาติสุเพราะการไม่รู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่ตามที่เป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงพากันท่องเที่ยวไป ในชาตินั้นๆตลอดการอันยาวนานจะตุนนังอริยสัจจานังอริยสัจทั้งหลายสี่ประการยถาภูตะมดัศนาอันนี้ก็ยถาภูตังบวกกับอัดัศนาอัดัศนาก็แปลว่าไม่เห็นเพราะไม่ได้เห็นไม่ได้มองดูไม่ได้รู้จักไม่ได้แจ่มแจ้งยถาภูตังตามที่มันเป็นจริงนะ เพราะไม่ได e th ้เห็นอริยสัจทั้งสตามที่มันเป็นจริงอริยสัจทั้งสี่นี้มันมีตามที่มันเป็นจริงนะไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าไปตั้งมันขึ้นแต่ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นมันมีตามความเป็นจริงอย่างนั้นคือเป็นกฎเกณฑ์เป็นไปตามธรรมดามตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นจะบอกว่ามันผดเด็จการก็ได้นะแต่ว่าผดเด็ดการแบบธรรมชาติคือไม่มีใครเลี่ยงมันพ้นได้ ไม่มีใครที่จะสามารถไปทําให้มันเป็นสามหรือเป็นห้าได้เนี่ยตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะดัะนั้นเราจะบอกว่ามีพเด็จการสักคนหนึ่งก็ได้คือธรรมะนั่นเองมันพเด็จการมากแล้วเกิดมาแล้วตายไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหนีไม่รอดนะแล้วก็มีทางที่ไม่ตายด้วยนะถ้าคนรู้เนะี่ยนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่รู้แจ้งแทงตลอดจริงๆอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสัพพันธ์อยู่จึงจะนำมาบอกได้ถ้าเป็นพระประเจกุทธเจ้าท่านไปรู้เขา้าท่านก็นำมาบอกมาแต่งตั้งเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าท่านไม่มีความสามารถพอนะครับนี่มันยากอย่างนี้นะฉะนั้นการจะพูดหรือว่าจะบัญญัติแต่งตั้งนำเรื่องที่ลึกซึ้งอันนี้มาขยายความให้พวกที่ไม่รู้เรื่องพวกที่หลับตาอยู่ในความมืดน่ยนะ คือมืดยังไม่พอนะทั้งหลับตาด้วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องยุ่งยากหลายซับหลายซ้อนมากต้องอาศัยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะทําได้นะครับอย่างเราทั้งหลายนี่ขนาดอาศัยพระพุทธเจ้าแล้วยังหลับตาอยู่เลยใช่ไหมมืดตึ๊บอยู่เลยบางคนนะอันนี้ก็โทษใกลไม่ได้แล้วนะโทษความมืดก็จะตายซะเปล่าฉะนั้นก็ฝึกเอาเองก็แล้วกัน จะตุนนังอริยสัจจานังยถาภูตะมดัสนาเพราะการไม่เห็นอริยสัจทั้งหลายสี่ประการตามที่เป็นจริงสังสริตังเราและเธอทั้งหลายจึงพากันท่องที่ยวไปตาสุตาสเสวะชาติสุในชาติเหล่านั้นเหล่านั้นชาติแล้วชาติเหล่าดีคะมัทฐานังตลอดการอันยาวนานอย่างนี้ ยานิเอตานินิฐานิภาะวะเนติสมุหตาอุดชินนางมูลงังทุกขสะนัตติดานิปุณ พ, พโวญยานิเอตานินิธานิแต่เพราะว่าอริยสั์ทั้งหลายสี่ประการเหล่านี้อันเราและเธอทั้งหลายได้เห็นเรียบร้อยแล้วภวะเนติสมุหตาตัณหากิเลสอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบก็ถูกถอนขึ้นเรียบร้อยแล้ว อุดชินนางมูลังดุขสะมูลรากของทุกก็ถูกตัดขาดแล้วนัตถินานิปุนัพโวบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปนะครับมูลรากของทุกนะก็คือตัณหาตัวความอยากตัวความต้องการถ้าเราทั้งหลายยังอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากบรรลุธรรมอยากเห็นพระนิพพาน อันนั้นนะ่ะมูลรากของทุกขยังอยู่นะฉะนั้นการเห็นอริยสัจเท่านั้นนะจึงจะตัดมูลรากของกองทุกได้ถ้าไม่เห็นตามที่มันเป็นจริงแล้วไม่สามารถที่จะพ้นจากความอยากได้เราทั้งหลายคงถูกสอนมาเยอะแล้วบอกว่าอย่าไปอยากนะอย่าต้องการนะอย่าอยากเป็นนั่นอย่าอยากเป็นนี่คงถูกสอนมาอย่างนี้นะอย่าอิจฉาเขานะนี่อย่างนี้ใช่ อย่ากโกรธเขานะอย่าโลภนะแล้วเป็นไงบ้างโลภที่จะไม่โลภนั่นแหละนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่โดยแท้จริงแล้วความไม่อยากหรือว่าตัณหาต่างๆนี่นะมันจะสิ้นลงได้แล้วก็ถูกถอนขึ้นได้ด้วยการรู้อริยสัจฉนั้นต้องฝึกฝนเพื่อรู้อริยสัจไม่ใช่ฝึกฝนเพื่อถอนกิเลสตัณหาอะไรต่างๆนะ การพูดในทํานองนั้นเราก็พูดถึงผลเท่านั้นเองแต่เหตุที่แท้จริงก็คือการรู้อริยสัจในสูตรนี้ท่านก็บอกเอาไว้ก็คือเพราะได้ตรัสรู้เพราะได้แทงตลอดอริยสัจทั้ง4ี่นั่นแหละตัณหาที่เป็นเครื่องติดข้องในภพก็ถูกตัดขาดกิเลสเครื่องนําไปสู่ภพก็สิ้นไปบัดนี้ภพใหม่ไม่ได้มีนะครับ นี่ในการปฏิบัติธรรมนะก็ต้องฝึกฝนให้เกิดความรู้ขึ้นเมื่อรู้มันก็จะลดความอยากลงไปเองนะไม่ต้องไปพยายามเป็นอย่างนั้นไม่ต้องพยายามเป็นอย่างนี้ให้ยุ่งยากนะคนนั้นเขาเป็นอย่างนี้เราพยายามจะเป็นอย่างเขาอันนี้ก็ฆ่าตัวตายเปล่าๆก็เป็นอย่างที่เราเป็นแล้วก็ฝึกฝนให้รู้จากมันตามที่เป็นจริงตามที่เป็นจริง เพราะว่าไม่รู the the idea, ้ตามที่เป็นจริงใช่ไหมจึงอยากเป็นอย่างอื่นไม่รู้ตัวเองตามที่เป็นจริงก็อยากเป็นอย่างคนอื่นนะคนอื่นเขาก็บอกว่าเธอต้องเมตตาสิเราไม่ค่อยมีเมตตาเราก็อยากจะเป็นคนเมตตาอย่างเขานั่นนี่ไม่รู้ตัวเองตามที่เป็นจริงแค่เราไม่ค่อยมีเมตตาเราก็รู้ตามที่เป็นจริงว่าอ่นี่มันไม่ค่อยมีอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วเราไม่เห็นต้องอยากเป็นคนมีเมตตาอย่างเขานี่เราเป็นมนุษย์เราก็รู้ว่าตัวเองนี่เป็นมนุษย์อย่างนี้ ไม่เห็นต้องอยากไปเป็นเทวดาให้มันยุ่งยากนี่แต่เรานี่เคยเป็นอย่างนี้ไหมโอ้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงเขามาหลอกเออต้องอย่างนี้จึงจะดีอย่างนี้จึงจะถูกอย่างนู้นจึงจะถูกต้องคิดอย่างเขาจึงถูกต้องทำอย่างเขาจึงถูกก็ว่าไปอย่างนี้ก็เลยวนเวียนกันไปยาวนานเหลือเกินนะครับซึ่งก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะจนกระทั่งถึงมาเรียนธรรมะ นะพอมาเรียนธรรมะก็อยากจะทำให้ได้อยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้เหมือนเดิมเพราะว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้อริยสัจอันนี้ดีเราก็พยายามจะทำให้ได้แต่ว่าแท้ที่จริงธรรมะท่านสอนให้กลับมาดูสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงรู้จักไหมต้องตามที่มันเป็นจริงก่อนอันนี้แหละมันจึงจะละความอยากได้ถ้าไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันก็ละความอยากไม่ได้หรอก นะครับอันนี้ปฐมวัตชีสูตรพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสที่แคว้นวัตชีสูตรที่หนึ่งพระองค์ตรัสเรื่องของการไม่รู้อริยสัจเพราะไม่ตรัสรู้อริยสัจไม่แทงตลอดอริยสัจทั้งส่เราและเธอทั้งหลายคือตัวพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็สาวกทั้งหลายด้วยที่อยู่ในที่นั้นนั่นแหละ ท่องเที่ยวไปตลอดการอันยาวนานเพราะไม่รู้อริยสัจแต่เมื่อรู้อริยสัจแล้วทุกก็ได้รู้แล้วทุกขสมุทัยก็ได้รู้แล้วทุกขนิโรธก็ได้รู้แล้วทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็ได้รู้แล้วได้แทงตลอดแล้วตัณหาจึงสิ้นไปพบใหม่ไม่ได้มีแล้วก็ตรัสคาถาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปพระสูตรที่นำมา อีกสูตรหชื่อว่าตถาสูตรพระสูตรที่แสดงถึงอริยสัจทั้งสี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้มันจึงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่จริงก็เป็นคําอธิบายกันและกันนั่นเองเหมือนความคิดอย่างนี้มันทําไมจึงเกิดขึ้นทําไมจึงคิดอย่างนี้เพราะมันไม่สามารถจะคิดอย่างอื่นไปได้มันจึงคิดอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นนะ บางคนอาจจะเห็นว่ามันสมควรไม่สมควรอะไรก็ตามแต่แต่ว่ามันไม่มีเรื่องสมควรไม่สมควรอย่างนั้นหรอกอันนั้นเป็นความคิดหรือ ว, ว่าอุดมคติทัศนคติอาคติในใจเราเองที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นได้นั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนั้นในตอนนั้นในเวลานั้นลักษณะของอริยสัจก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละเป็นความจริงทีเดียวนะในบาลีข้อหนึ่งเจ อ่านพร้อมกันนะครับจัตตารีมานิภิกขเวอริยสัจจานิกาตมานิจัตตาริลุกขังอริยสัจจังลุกขสมุทโยอริยสัจจังลุกขนิโรธโออริยสัจจังลุกขนิโรทคามินีปฏิปดาอริยสัจจัง อิมานิโขพิขเควจัตตาริอาริยสัจจานิตถานิอวิตถานิอนัญญาถานิตัสมาอาริยสัจจานีติวุจันติตัสมาติหะพิเควอิดังดุขขันติโยโคการณิโย อายังดุขนิโรธะคามินีปฏิปดาติโยโคการณียโยติตถาสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องอริยสัจทั้งสีนั้นเป็นอย่างนั้นบาลีข้อ1นัจดตารีมานิพิคเวอริยสัจจานิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัตว์ทั้งหลาย4ประการเหล่านี้กตมานิจัตตาริสีประการเป็นฉไนทุขังอริยสัจจังคือทุกขอริยสัจอริยสัจกล่าวคือทุกขนีข้อที่หนึ่งทุกขะสมุทโยอริยสัจจัง 2. ทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรโทอริยสัจจังสทุกขนิโรธอริยสัจ นุขนิโรธคามินีปฏิบนาอริยสัจจังสี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอิมานิโขภิกเวจัตตาริอริยสัจจานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจทั้งหลายสี่ประการเหล่านี้แหละตถานิมันเป็นอย่างนั้นของมันตถานีคือเป็นเช่นนั้นของมันเป็นสี่อย่างนั้นของมัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเป็นสามหรือเป็นห้าไม่มีการสลับขั้วสลับข้างไม่มีการมาเอาอันนั้นขึ้นก่อนอันนี้ขึ้นหลังคือมันเป็นอย่างนั้นของมันอวิตรฐานิไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะตถาตถานี Dude, ้ก็เป็นอย่างนั้นอวิตรฐานิไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็คือเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ นะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าพูดภาษาเราทุกวันนี้อาจจะบอกว่าทำไมกวนอย่างนี้แต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นไงไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วอนันญาฐานนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นนะฉะนันถ้าเราอ่านในบาลีบางทีเราอาจจะพอเข้าใจอาจจะเห็นว่าเอพระพุทธเจ้าทําไมกวนอย่างนี้อาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่โดยแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นของมัน นะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นนะครับทีนี้เวลาเรามาตอบในยุคนี้เราอาจจะโดนเขาว่าก็ได้ว่าเรากวนอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านกขว่าอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับนี่นะันั้นที่ท่านใช้ในที่นี้ใช้สามคำตถานีตถาคือมันเป็นอย่างนั้นอวิตฐานิไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นอนัญญฐานิ ไม่เป็นอย่างอื่นอย่างนี้นะครับเราก็ลองหัดใช้บ่อยๆก็ได้สามคำนี้นะเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นทําไมเขาด่าล่ะโอ้เพราะว่าเขาดา่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ดา่าไม่ใช่เขาชมอย่างนี้ก็ได้ทําไมมันทุกข์ล่ะโอ้เพราะมันทุกข์ไม่ใช่มันไม่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่อย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ ความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นตัสมาอริยสัจจานีติวุจจติเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกความจริงอันนั้นว่าอริยสัจนะที่เรียกว่าอริยสัจนี่เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นจึงเรียกว่าอริยสัจความจริงอันประเสริฐ ความจริงอันถูกต้องสูงสุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่สามารถที่จะไม่จริงอันนี้นะที่ได้ชื่อว่าอริยสัจเพราะอย่างนี้นะครับตัสมาติหาพิกเวอิดังดุ ข, ขันติโยโคการณิโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายควรกระทำความเพียร เพื่อรู้ว่านี้คือทุกข์นะฉะนั้นความจริงอันนี้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาและมันเป็นจริงอย่างนั้นไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้เลยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เข้าใครออกใครไม่ไว้หน้าใครเลยฉะนั้นควรกระทาความเพียรเพื่อรู้จักมันนะส่วนความจริงอันอื่นๆนั้นนะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ผิดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแบบนั้น ไม่ควรไปรู้จักมันเท่าไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่ความจริงอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ควรจะทําความเพียรเพื่อรู้จักโยโคการณียโยโคก็แปล ว, ว่าการกระทําความเพียรที่มีหลักการ โยคะนั่นเองนะเป็นคำกลางๆที่เขาใช้กันในยุคโบราณเขาก็ใช้กันโยคะรู้จักใช่ไหมยโยคะกรรมนะโยคะก็หมายถึงว่าการกระทําความเพียรอย่างมีหลักการเพื่อฝึกฝนให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นพวกโยคะภายนอกเขาก็อาจจะฝึกฝนในด้านร่างกายทําโยคะเขาก็มีรูปแบบหรือว่ามีหลักการของเขาเพื่อฝึกฝนให้ร่างกายมันได้รับประโยชน์หรือว่า ให้รักษาร่างกายในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งพวกเลืกซึ้งขึ้นมาก็ทําโยคะเหมือนกันเพื่อฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิอย่างนี้ฉะนั้นคําว่าโยคะนี่ก็เป็นคํากลางๆจนภาษาไทยเราทุกวันนี้หรือว่าทุกวันนี้บางทีในเมืองไทยเราก็เอาคําว่าโยคีมาใช้นีหมายถึงนักปฏิบัติธรรมนั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมบางสํานักเขาก็เรียกโยคีแปลว่าผู้กระทําความเพียรอย่างมีหลักการ อย่างเป็นระบบแบบแผนอย่างเข้าใจตามหลักการทำตามหลักการแล้วก็จะได้ผลตามที่สมควรนะอันนี้เป็นคำกลางๆนะถ้าโยคีภายนอกเขาก็แล้วแต่อาจจะฝึกฝนร่างกายก็ได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบก็ได้โดยมีหลักการของเขานะครับในที่นี้เรื่องอริยาสตร์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็นาคาว่าโยคะนั้นมาใช้ประกอบด้วยก็คือให้กระทาความเพียรเพื่อ ที่จะรู้ว่านี ut, ้ทุกโยโคกรณีโยโยคะเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรที่มีแบบมีแผนมีหลักการนะฉะนั้นเวลาทําความเพียรต้องมีหลักการนะทำแบบโยคะเนะีนะ่ยทำแบบมีหลักการไม่ใช่เขาให้ทําอะไรก็มั่วไปเรนะื่อยเขาให้เดินก็เดินไปเรื่อยเขาให้นั่งก็นั่งไปเรื่อยอันนี้มันก็จะไม่ได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ แต่ก็อาจจะได้ผลอย่างอื่นนะได้ผลเป็นจิตสงบได้เห็น น, น, นั่นเห็นนี่อะไรก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าถ้าจะให้มีหลักการหรือว่าตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เพื่อเห็นอริยสัจนั้นก็ต้องมีหลักการตามที่พระองค์วางเอาไว้นี่อันนี้เรียกว่าโยโคโการิโยโยคะความเพียรเป็นสิ่งที่เธอพึงกระทำเพื่อรู้ว่านี้ทุกจนกระทั่งนี้ทุกขสุทยัย นี้ทุกขะนิโรธะและอันสุดท้ายอายังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปนาติโยโคกรณีโยการกระทำความเพียรอย่างมีหลักการเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อรู้ว่านี้คือทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาที่พระองค์แนะนำก็คือให้พากันกระทำความเพียรอย่างถูกต้อง อย่างมีหลักการอย่างมีแบบแผนที่ถูกต้องเพื่อรู้จักอริยสัจทั้งสี่ตามที่เป็นจริงรู้ว่านี้ทุกรู้ว่านี้ทุกขสมุทัยรู้ว่านี้ทุกขนิโรธะรู้ว่านี้ทุกขะ น, ขะนิโรธะรขามินีปฏิปทาเนี่ยทำเพื่อรู้ตามที่เป็นจริงนะทำเพื่อรู้ไม่ใช่ทำทำไปแล้วไปถามคนอื่นอาจารย์นี่ถูกหรือเปล่าอันนี้ก็คงไม่ได้เรื่องนะนยต้องทำด้วย การมีหลักการมีแบบมีแผนที่ถูกต้องแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าเออนี้ทุกนะนี้ทุกขสมุทัยนะนี้ทุกขนิโรธะนะนี้ทุกขนิโรธค า, ามินีปฏิปทาเนี่ยได้รู้เองเห็นเองทีเดียวนะครับนี่นะเป็นเนื้อหาของตถาสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องอริยสัจ ท, ทั้งสี่เป็นอย่างนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจนะครับต่อไปปรินเยยสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องทุกขาริยสัจนั้นเป็นธรรมะที่ควรรอบรู้ควรทำหน้าที่ต่อมันให้ถูกต้องเป็นต้นนะครับปรินเยยสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องหน้าที่ที่บุคคลพึงกระทาต่ออริยสัจให้มันถูกต้อง หลังจากรู้แล้วว่าอ้นี้คือทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหลังจากรู้อย่างนี้แล้วนะฝึกฝนเพื่อรู้อย่างนี้แล้วพอรู้อย่างนี้แล้วต้องกระทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อให้มันถูกต้องให้มันสมควรนะครับก็เลยมาเป็นสูตรปริญยยสูตรบาลีข้อหนึ่ออ่านพร้อมกันนะครับ จัตตาริมานิพิกเวอาริยสัจจานิกะตามานิจัตตาริดุขังอาริยสัจจังดุขะสมุทโยอาริยสัจจังดุขะนิโรโทโอาริยสัจจังดุขะนิโรทะคามินีปฏิปดาอาริยสัจจัง อมานิโขพิกเวจัตตาริอาริยสัจจานิอิเมสังโขพิกเวจตุนังอาริยสัจจานังอัติอาริยสัจจังปรินเยยังอัติอาริยสัจจังปหาตับังอัติอริยสัจจัง สัจฉิกาต บ, บังอัติอริยสัจจังภาเวต บ, บังกตมันจะพิโคเวอริยาสัจจังปรินเยยยังดุกขังพิโคเวอริยสัจจังปรินเยยยังดุขงขกยยดขสมุทโย อ, อริยาสัจจังปหาต บ, บัง ดุขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตั บ, บังดุขะนิโรธคามินีปฏิบดาอริยสัจจังภาเวตั บ, บังตดสมาติหะพิกเวอิดังดุขขันติโยโคการนิโย ออายังทุกขนิโรธคามินีปฏิบดาติโยโคการนียโยติปริญญายสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องอริยสัจสี่นั้นเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งบาลีข้อ1709 จัตตารีมานิพิก เ, เวอริยสัจจานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยสัจทั้งหลาย4ประการเหล่านี้กตมานิจัตตาริสประการเป็นฉไนทะุก ข, ขังอริยสัจจังคือ1ทุก ข, ข อ, อริยสัจทุก ข, ขสมุตโยโอริยสัจจังสองทุก ข, ขสมุทยัยอริยสัจทุก ข, ขนิโรโธอริยสัจจัง 3- ทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธาคามินีปฏิปดาอริยสัจจังสทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอิมานิโขพิกเวจัตตาริอริยสัจจานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจทั้งหลายสี่ประการเหล่านี้แลอิเมสังโขพิกเวจตุ น, นัง อริยสัจจานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบันดาอาริยสัจทั้งหลายสีประการเหล่านี้แลอัติอริยสัจจังปริญยยัง อ, อริยสัจที่ควรรอบรู้ก็มีอยู่อัติอริยสัจจังปะหาตับบัง อ, อริยสัจที่ควรละก็มีอยู่อัติอริยสัจจังสัจฉิกาตับบัง อ, อริยสัจ ที่ควรกระทําให้แจ้งก็มีอยู่อัธิอริยสัจจังภาเวต บ, บังอริยสัจที่ควรเจริญที่ควรทำให้มีขึ้นก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็แยกแยะอริยสัจทั้ง4ี่ประการแล้วก็บอกถึงหน้าที่หรือว่ากิจที่ควรทําต่ออริยสัจทั้ง4เหล่านี้ในบรรดาอริยสัจทั้ง4เหล่านี้อริยสัจที่ควรรอบรู้ ควรทำความเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ก็มีอยู่อริยสัจ ท, ที่ควรละก็มีอยู่ควรเข้าไปรู้จักว่าโอ้อันนี้อันนี้คืออันนี้แล้วก็ควรจะละมันก็มีอยู่อริยสัจ ท, ที่ควรกระทําให้แจ้งก็มีอยู่ทําให้มันปรากฏออกมาก็มีอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดไม่ดับนะอริยสัจอันนี้ในเมื่อไม่เกิดไม่ดับ ก็ทำให้มันเกิดไม่ได้แต่ทำให้มันปรากฏออกมาได้ทำให้แจ้งได้นะแล้วก็อริยสัจ ท, ที่ควรเจริญก็มีอยู่คือถ้ายังไม่มีก็ทำให้มันมีขึ้นถ้ามีแล้วก็ทำให้เจริญจนเต็มบริบูรณ์นี่ก็แยกเป็นสี่ข้ออย่างนี้ต่อไปพระองค์ก็จะขยายความกาตมันจะพิโคเวอริยสัจจังปริญยยัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจที่ว่าควรรอบรู้ให้มันแจ่มแจ้งนั้นเป็นชไหนดุขกขังภิกขเวอริยสัจจังปริญญยยยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจคืออริยสัจกล่าวคือทุกนี่แหละควรรอบรู้ควรรู้จักให้เข้าใจทุกแง่ทุกมุมปริญเยยยังแปลว่ารอบรู้รู้จักให้ครบทุกแง่ทุกมุม แง่มุมของทุกทุกนี่นะทุกมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งหน้าตาหน้ากลัวทั้งหน้าตาหน้ารักก <c oughs> ็ควรจะรู้จักให้มันครบด้านทุกแง่ทุกมุมรู้จักความเกิดรู้จักความดับรู้จักความหน้าพอใจของมันทําให้เราติดข้องรู้จักโทษของมันรู้จักวิธีที่จะอยู่เหนือมันทํำยังไงบ้างนี่นะอย่างนี้เรียกว่ารู้จักครบทุกแง่ทุกมุม รู้จักว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่ารู้จักทุกแง่ทุกมุมนะมีแง่มุมไหนให้รู้บ้างก็รู้ให้ครบเรียกว่าปรินเยยังทุกขังพิกเว อ, อริยสัจจังปริญเยยยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจกล่าวคือทุกข์ควรรอบรู้ทุกขะสมุทโย อ, อริยสัจจังปหาตับบัง อริยสัจกล่าวคือทุกขสมุทัยควรละควรไปรู้จักพอรู้จักแล้วก็ให้ละนะครับนี่ต้องรู้ว่าทุกขะนี้ทุกขะสมุทัยอริยสัจแล้วพอรู้แล้วก็ให้ละนะควรละก็มีอันนี้เป็นปหาตับบังทุกขะนิโรโทอริ ย, ยสัจจังสัจจิกาตับบังอริยสัจกล่าวคือทุกขนิโรธะ ควรกระทำให้แจ้งควรกระทำให้ปรากฏออกมาควรให้เปิดเผยตัวออกมาอย่างนี้นะทุกขนิโรธะทุกขนิโรธะก็คือพระนิพพานนะครับพระนิพพานนี้ไม่เกิดไม่ดับทำให้เกิดไม่ได้นะไม่เกิดไม่ดับแต่ทาให้ปรากฏออกมาได้ทำให้แจ่มแจ้งกับใจได้ทำให้เป็นอารมณ์ของจิตได้นะทำให้ปรากฏออกมานะ ทุกขนิโรธค า, ามินีปฏิปนาอาริยสัจจังภาเวต บ, บังอริยสัจกล่าวคือข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงทุกขานิโรธนี้ควรเจริญภาเวต บ, บังแปลว่าควรทําให้เกิดขึ้นทําให้มีขึ้นถ้ามันยังไม่มีนะก็ทําให้มียังไม่เกิดก็ควรทําให้เกิดถ้าเคยเกิดแล้วก็เจริญอบรมให้ก้าวหน้าจนเต็มบริบูรณ์ คินศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์แปดประการสมถาวิปั ส, สนาโพธิปักกิยธรรมแล้วแต่เราจะเรียกนะอันนี้ถ้าไม่มีก็ควรฝึกให้มีสติไม่เคยมีใช่ไหมก็ต้องฝึกให้มีปัญญาไม่เคยมีก็ต้องฝึกให้มีศีลไม่เคยมีก็ต้องฝึกให้มีสมาธิไม่เคยมีก็ต้องฝึกให้มีอย่างนี้นะสมถ า, าวิปัสนาหรือว่า เอาเยอะๆก็โพธิปักขิยธรรมอะไรอย่างนี้อันนี้คือทุกขะนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัจควรจะทำให้หมีขึ้นทำให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรเจริญจนให้เต็มบริบูรณ์นี้ก็เป็นหน้าที่กิจที่ต้องทำกับอริยสัจทั้ง4ีุกขังพิคุว・อริยสัจจังปริญญายางดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขะอริยสัจนั้นควรรอบรู้ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับบังทุกขะสมุทัยอริยสัจควรละทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตับบังทุกขะนิโรธอริยสัจควรกระทำให้แจ้งทุกขนิโรธคามินีปฏิบนาอริยสัจจังพาเวตับบังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจควรทำให้เกิดขึ้น ทำให้มีขึ้นทำให้เจริญขึ้นตัดสมาติหะิกเวอิดังลุขันติโยโคกรณีโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายควรกระทำโยคะคือความเพียรชนิดที่มีหลักการนะต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจควรทำให้เกิดความรู้ว่าอิดังลุขังนี้ทุกข์จนกระทั่งถึง อายังทุกขนิโรธคามินีปฏิปนาติโยโคกรนิโยควรกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะครับฉนันเราทั้งหลายนะก็มีกิจที่ควรทำหรือว่ามีโยคะที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ก็คือฝึกฝนให้รู้จักอริยสัจ ท, ทั้งสนี้ทุกนี้ทุก ข, ขสมุทยัย นี้ทุกขนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทานะครับโยคะนะควรทำนะครับนะคำว่าโยคะก็คือความเพียรชนิดที่มีหลักการประกอบไปด้วยความเข้าใจประกอบไปด้วยความรู้ประกอบไปด้วยความสัมมาทิความมีสัมมาทิฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกฝนไปตามหลักการอ น, นั้นอย่างนี้ เพื่อรู้อริยสัจทั้งสตามที่มันเป็นจริงอันนี้ก็พระสูตรเกี่ยวกับอริยสัจนะครับสสูตรถ้าท่านอยากจะอ่านเยอะๆก็มีที่มาให้อยู่นะก็คือจากคัมภีร์สังยุตตนิกายมหาวารวักพระไตรปิฎกเล่มที่19กนะก็ไปอ่านในที่นั้นก็จะมีพระสูตรเกี่ยวกับอริยสัจสูตรสั้นๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างมากมายท่านก็ไปอ่านเองได้นะครับแต่ที่นำมานี้นำมาพอให้ได้รู้บ้างเล็กๆน้อยน้อยเท่านั้นเองนะนะเรียนนิดหน่อยนะครับให้พอได้ความรู้บ้างต่อไปก็จะขยายความอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการที่พระองค์ตรัสเมื่อกี้นี้ก็นำมาจากพระสูตรพระสูตรหนึ่งเลยที่รวบรวมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว จริงๆพระสูตรอื่นก็มีเยอะอยู่แต่ว่าพระสูตรนี้ก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็เลยเอาสูตรนี้มานะครับชื่อว่าสัจจวิพังคสูตรจากคัมภีมัชฌิมานิกายอุปริปันธาต์นะครับสัจจวิพังคสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยการจําแนกอริยสัจทั้ง4แจกแจงอริยสัจทั้ง4ไม่ถึงกับพิสดาร น, นักเป็นกลางๆให้พอเข้าใจ ถ้าจะพิสดารก็สามารถขยายความได้เยอะแยะมากมายไปกว่านี้อีกนะครับแล้วแต่แต่พระสูตรนี้จําแนกอริยสัจทั้งสแบบไม่กว้างนักนะให้พอเข้าใจได้ว่าทุกขอริยสัจคืออะไรทุกขสมุทัยอริยสัจคืออะไรทุกขนิโรธอริยสัจคืออะไรทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออะไรแบบ ไม่ย่อมากนะถ้าย่อมากก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ไม่พิสดารมากเพราะว่าถ้าพิสดารมากก็มึนหัวอีกแหละนะสูตรนี้ก็แบบกลางๆ ก, ก็เลยนํามาให้เรียนกันนะครับก็จะได้เข้าใจเรื่องอริยสัจเป็นหลักการที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็จะได้เอาไปปพืชปฏิบัติให้มันถูกต้องนะครับจะได้ไม่มองไปคนนั้นทีคนนี้ทีว่าโอ้คนนั้นว่าอย่างไงคนนี้ว่าอย่างไงเราฝึกฝนเพื่อรู้อริยสัจ ถ้ามันรู้สิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือว่าเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อรู้สิ่งเหล่านี้มันก็ใช้ได้นะจะใช้ของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้จะเรียนแบบไหนก็ได้ปฏิบัติแบบไหนก็ได้ก็ขอให้มันเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจเพราะว่าถ้าไม่รู้อริยสัจพระองค์ก็บอกแล้วใช่ไหมมันก็วนเวียนไปเรื่อยๆท่องเที่ยวไปแล่นไปอยู่ไม่สิ้นสุดนะครับต้องฝึกฝนเพื่อให้รู้อริยสัจ สัจจะวิพังกสูตรมาจากคำพีมัชฌิมานิกายอุปริปันาตพระไตรปิฎกเล่มที่14บาลีข้อ371เป็นต้นไปนะครับอ่านพร้อมกันก่อนนะครับเอวัมเมสุตังเอกังสั ม, มยังภควาบารานสิยังวิหรารติอิสิปตเนมิขดาเย ตัตระโขภควาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติพระดันเตติเตภิกขุภควโตปัจจโสสุงภควาเอตะดะโวจตถาคเตนะภิกขเวอระหะตาสัมมาสัมบุธเทนะ บารานสิอย่างอิสิปะตะเนมิกะดาเยอนุนตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนวาพรมามเนนวาเดเวนาวามาเรนาวาพรัมมุนาวาเกนะจิวา โลกัสมิงยะดิดังจะตุนังอริยสัจจานังอาจิคนาเดสนาปัญญาปนาปัตถปนาวิวารนาวิภัชนาอุตตานีกรรมังกะตเมสังจะตุนังดุกขัสสะอริยสัจจัสสะ อาจิกคนาเดสนาปัญญาปนาปัตถปนาวิวรณาวิภาชนาอุตตานีกรรมังลุกขสมุทยสสะอริยสัจจสสะอาจิกคนาเดสนาปัญญาปนาปัตถปนาวิวรณา วิพชนาอุตตานีกรรมมังดุกขนิโรธัสสะอริยสัจจสสะอาจิกคนาเดสนาปัญญาปนาปัตถปนาวิวรณาวิพชนาอุตตานีกรรมมังดุกขนิโรธคามินิยาปติปดายะ อริยสัจจัดสะอาจิคนาเดสนาปัญญาปนาปัทถปนาวิวรณาวิภัชนาอุตตานีกรรมังตถาคเตณพิกขเวพระหาทตาสัมมาสัมพุทเทนะบารานสิยังอิสิปตเน มิกะาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติังอาปิติวัตติยงังสมเนนะวาพรามเนนะวาเดเวนะวามาเรนะวาพรามุนาวาเกนจิวาโลกัสมสิงยะดิดังอิเมสัง ตุ น, นังอริยสัจจานังอาจิคนาเดสนาปัญญาปนาปัฏฐาปนาวิวรณาวิพัชนาอุตตานีกรรมังบาลีข้อ37มอเอวมเมสุตังข้าพเจ้าคือท่านพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้ เอกังสมยยังในสมัยหนึ่งมขวาบารานสิยังวิหรติอิสิปัตะเนมิฆตาเยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปัตณมิคทายะใกล้เมืองพาราณสีนะครับพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าอิสิปัตณมิคทายวันใกล้เมืองพาราณสีซึ่งเป็นสถานที่ที่ แสดงพระธรรมจักนในอันนี้ก็คราวหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปประทับอยู่ในที่นั้นอีกทีหนึ่งเหมือนกันตัตระโขภควาภิกขูอามันเตสิภิกขโวติในที่นั้นแลคือที่ป่าอิสิปตนะนั่นแหละพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกโขดูกนภิกษุทั้งหลายพระองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายที่นั่งประชุมกันอยู่ในที่นั้น ว่าพิกโวดูกนภิกษุทั้งหลายปันเตติเตพิกขูภควะโตปัจจัสสโงพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็รับคำพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าหรือว่าขอรับปันเตเป็นคำรับรับคำของพระพุทธเจ้าภควาเอตตโวจะพระผู้มีพระภาคาได้ตรัสคำดังต่อไปนี้ว่า ตถาคเตณเณภิคเวอรหาตาสัมมาสัมพุทธเนะบารานสิยังอิสิปตเนมิกตาเยอนุตรังธรรมมจักกังปวัตติตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุธเทธเจ้าทรงประกาศแล้วสี่ที่ป่าอิสิปตนะมิกทายะใกล้เมืองพาราณสี นะครับตถาคเตนะก็พระตถาคตอรหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธะใกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นทรงประกาศแล้วประวัติติตังแปลว่าประกาศแล้วหมุนไปแล้วหรือว่าเปิดเผยออกไปแล้วธรรมจักกังธรรมจัก ธรรมะการหมุนธรรมะหรือว่าการแสดงธรรมะการบอกธรรมะอันพระพุทธเจ้าประกาศแล้วอนุตรังธรรมจักกังธรรมจักอันยอดเยี่ยมธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีใครคัดค้านได้เลิศที่สุดอันพระพุทธเจ้าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว บาราณสิยังอิสิปัตเนมิกดาเยที่ป่าอิสิปัตณมิกดายะใกล้เมืองพาราณสีอัปปวัตติยังสมเนนวาปรามเนนวาเดเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกนาจิวาโลกสมิงอันสมณะก็ดีพรามก็ดี เทวดาก็ดีมารก็ดีพรมก็ดีหรือว่าใครใครในโลกก็ดีไม่สามารถจะคัดค้านได้อภปวัติยังแปลว่าไม่สามารถจะคัดค้านไม่สามารถจะกลับคําได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะทำให้มันเป็นอย่างอื่นไปได้นะอปปิวัติยังคือไม่สามารถปฏิวัติน่ะความหมายคืออย่างนั้นน่ะไม่สามารถจะกลับคําได้ ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้นี้ธรรมาจากอันยอดเยี่ยมที่พระองค์ประกาศเอาไว้ที่ป่าอิสิปนมิกทายาวันนะั้นะสมณะก็ดีพรามก็ดีเทวดาก็ดีมารก็ดีพลมก็ดีหรือใครในโลกไม่สามารถที่จะกลับคำได้ไม่สามารถที่จะคัดค้านได้ไม่สามารถปฏิวัติได้นะไม่สามารถทำให้มันเป็นอย่างอื่นได้ก็คืออริยสัจนั่นแหละที่พระองค์ประกาศออกไปแล้ว นะครับฉะนั้นเมื่อพระองค์ประกาศอริยสัจประกาศสัจธรรมความจริงอริยสัจอันยอดเยี่ยมไปแล้วนี่นะพวกสมณะพระาหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกก็คัดค้านไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่พระองค์ประกาศธรรมาจักนะพวกเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ชั้นต้นๆก็สั่นสะเทือนไปหมดสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดก็คือตั้งแต่เทวดาชั้นต้นๆ ก็พูดไปถึงเทวดาชั้นสูงสูงจนกระทั่งถึงพวกพลมนะพวกเทวดาตอนแรกๆอาจจะคิดว่าโอ้เรานี่ดีเรานี่เลิศประเสริฐอยู่พอพระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักออกมาประกาศความจริงว่ามีแต่ของไม่เที่ยงนะมีแต่ของเป็นทุกข์นะโอ้พวกนั้นสะดุ้งเป็นแถวแถวนะมองหน้ากันล็อกแรกทีเดียวแหละว่าโอยนี่เราไม่เที่ยงเลยเนี่ยนึกว่าเที่ยงอยู่เนี่ย พวกพลมพวกอะไรก็สะดุ้งกันเป็นแถวๆนะครับน่ะเห็นแต่มนุษย์เกิดตายเกิดตายอยู่เรานึกว่าเราเหนือมนุษย์แล้วที่ไหนได้นะกลายเป็นโอ้เราก็ไปเที่ยงไปด้วยแล้วนี่อย่างนี้นะฉะนั้นพวกสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีเทวดามาพรพลมหรือว่าใครๆในโลกก็คัดค้านธรรมเทศนาของพระองค์ไม่ได้นะครับตอนที่ไม่มีอริยสัจยังไม่มีการประกาศอริยสัจ โลกมันก็เต็มไปด้วยความมืดคนนั้นคนนี้ก็หลอกเราได้เยอะแยะเทวดาก็มาหลอกเราได้ว่าต้องทําแบบนี้นะจะดีจะมีความสุขพวกพรหมก็มามาหลอกเราได้ว่านี่ทําแบบนี้จิต ส, สงบจะเป็นอมตะอะไรกู้่าไปนะแต่พอทำมาจากประกาศออกมาแล้วพวกนั้นนี่ยเขาเรียกงายท้องเป็นแถวๆพูดภาษาเราให้มันหยาบคายหน่อยหนึ่งนะครับก็คือคําสอนของเขาเหล่านั้นก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมด ที่ว่าว่ากันมานั่นแหละเพราะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีแต่ของเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ของไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนอันแท้จริงที่เขาพากันไปหาว่าโอ้อันนี้จะสุขอันแท้จริงอันนี้จะเลิศอันนี้จะประเสริฐที่ว่าหาหากันมานั้นมันก็มีแต่พวกไม่รู้เรื่องวนเวียนกันไปนะแท้ที่จริงมันต้องหยุดหานั่นแหละนะส่วนพวกไปหานังคงไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่าทุกขน์นนโรธาอันแท้จริงก็คือ การสิ้นตัณหามันไม่ใช่การไปหานะครับนี่คำสอนของพระองค์ประกาศออกมาแล้วเป็นอนุตรังธรรมจักกังพวกสมณะก็ดีพราหมกก็ดีเทวดามารพรหรือว่าใครๆในโลกก็ปฏิวัติไม่ได้ทำให้แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือว่าคัดค้านไม่ได้ยะดิดังจตุ น, นังอริยสัจจานัง อาจิคนาเดสนาปัญญาปนาปัตถาปนาวิวรณาวิพัชนาอุตตานีกัมมังก็คือธรรมะจากอันยอดเยี่ยมคืออะไรล่ะธรรมะจากอันยอดเยี่ยมที่พวกสมณะและพราหมณ์เป็นต้นนี้คัดค้านไม่ได้คืออะไรคือการบอกอาจิคนาแปลว่าการบอกเดสนาการแสดงนี่นะธรรมะจัก ที่ยอดเยี่ยมก็คือการบอกบอกอริยสัจสี่การนําอริยสัจสีมาบอกอาจิกนาแปลว่าบอกเทศนาแปลว่าการแสดงปัญญาปนาการนํามาบัญญัติเป็นคําว่าเออันนี้เรียกว่าทุกขาริยสัจนะอันนี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยนะอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธนะอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานนะแล้วก็ธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้เรียกชื่อนั้นเรียกชื่อนี้ เรียกว่าบัญญัติปัญญาปนาการบัญญัติปัตถปนาการมากำหนดกันให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ควรละนะอันนี้ควรรอบรู้นะอันนี้ควรเจริญนะอย่างนี้วิวรณนาการเปิดเผยแต่เดิมมันเป็นของปิดอยู่ก็เอามาเปิดเผยมาเปิดเผยนะครับ การเรื่องอริยศาสตร์นี้เป็นเรื่องเปิดเผยเรื่องวิปัสสนานี้เป็นเรื่องเปิดเผยนะไม่ใช่เรื่องปกปิดนะพระพุทธเจ้าเปิดมาตั้งแต่นู่นปลายศีรปตนาแล้วนะครับวิปัชนาการจําแนกอุตตานีกรรมังกระทําให้มันง่ายๆนะพระองค์นํานมาบอกแสดงบัญญัติกําหนดแต่งตั้งเปิดเผยจําแนก แยกแยะแล้วก็กระทำให้มันง่ายๆด้วยอุปมาด้วยอุปไมยร์ต่างๆชี้ให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับฉะนั้นอริยสัจทั้ง4นี่นะจะบอกว่ายากก็ยากตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้านะพอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรุ้แล้วพระองค์ก็นำมาบอกนำมาบอกแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแล้วกระทำให้มันง่ายๆนะฉะนั้นถ้า บอกว่าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอู้ยากเหลือเกินอย่างนี้พวกนี้ยังไม่ได้เรื่องพวกได้เรื่องต้องบอกว่าอู้แจม่มแจม้งนักพระเจ้าข่าอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าพวกได้เรื่องส่วนพวกฟังแล้วอู้ไม่รู้เรื่องนี่ผมว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ยากเหลือเกินยากมากเขานึกว่าตัวเองชมพระพุทธเจ้าที่ไหนได้กลายเป็นพวกไม่ได้เรื่องไปสินะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่นำมาบอกแล้วก็มาทําให้มันง่ายๆ เพราะพระพุทธเจ้าเก่งใช่ไหมฉะนั้นคนฟังที่ได้เรื่องก็ต้องบอกว่าอู้แจ่มแจ้งจริงๆแต่เดิมไม่เคยเข้าใจตอนนี้ได้มาเข้าใจแต่เดิมมันเป็นของปุกปิดก็เหมือนหงายออกนอย่างนี้นะครับเหมือนหงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดนี่อย่างนี้ต้องอย่างนี้นะบางคนในมาเรียนธรรมะอ้ยากเหลือเกิน เขาก็ยังหลงตัวเองอย่ว่าการบอกว่าธรรมะยากยากนี่เป็นการสรนเสริญพระพุทธเจ้านั่นก็ว่าไปอย่างนี้สกแต่ที่จริงแล้วก็บอกตัวเขาเองว่าพวกไม่รู้เรื่องนะพวกห่างไกลความเจริญนะพวกนั้นนะแต่ถ้าจะสรนเสริญพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าแจมแจ้งจริงๆเพราะว่าพระองค์นี้กระทําให้มันง่ายๆแล้วนะครับถ้ายังไม่ง่ายก็แสดงว่า ปัญญาเรายัางมืดมัวอยู่ใช่ไหมขยะยังเต็มหัวอยู่เลยฉะนั้นก็อย่ามาโทษธรรมเทศนาก็แล้วกันไปโทษตัวเองก่อนนะถ้าจะโทษนะอันนี้นะครับรรมาจากอันยอดเยี่ยมที่ใครๆก็คัดค้านไม่ได้ก็คืออริยสัจทั้งสี่การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่าย ซึ่งอริยสัจทั้งสี่นี่แหละเป็นธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วใครๆก็คัดค้านไม่ได้กตมีสังจตุนังอริยสัจสี่ประการคือเป็นฉไหนก็ขยายความทีละอันทีละอันไปลุคัสะอริยสัจจสสะอาจิกนาเดสนาปัญญาปนาปัตถปนาวิวรณาวิภาชนาอุตตานีกัมมังคือ การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดแต่งตั้งเปิดเผยการจำแนกการกระทำให้ง่ายๆซึ่งทุกขะอริยสัจการมาบอกว่าอันนี้นะคือทุกนะอันนี้คือทุกบัญญัติขึ้นมามาแต่งตั้งมาเปิดเผยแล้วก็ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้มันง่ายๆเข้าใจชัดๆว่าทุกมันเป็นอย่างนี้ทุกขนาดไหนขนาดไหนก็นํามาบอกนะครับ ทุกขะสมุทยยัยทุกขะสมุทัยอริยสัจก็เหมือนกันทุกขะนิโรธอริยสัจก็เหมือนกันจนกระทั่งถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระองค์จึงสรุปว่าตถาคตเณภิขเวอรหาตาสัมมาสัมพุทเทนะบาราณสียังอิสิปัตะเนมิกดาเย อนุตารังธรรมจากกังประวัติติตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมาจากอันยอดเยี่ยมที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วที่ป่าอิสิปตนะมิขะทายะใกล้เมืองพาราณสีอับปติวัตติยังสมเนนวาพรามเนนวาเดเวนวา มาเรณวาพรามมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงอันสมณะก็ดีพรามก็ดีเทวดาก็ดีมารก็ดีพรมก็ดีหรือว่าใครใในโลกก็ดีไม่สามารถที่จะคัดค้านได้นะคัดค้านปฏิวัติหรือว่ากลับให้มันเป็นอย่างอื่นแปลเป็นอย่างอื่นสลับข้อให้มันเป็นอย่างอื่นพระองค์ตรัสทุกทุกขะสมุทยัย ทุกขนิโรธะทุกขนิโรธะคาไมนีปฏิปทาเรียงกันอย่างนี้ไม่สามารถที่จะมีสมณะพรามณ์คนใดหรือว่าเทพองค์ใดที่จะมากลับข้างว่าเอาักทุกขสมูทายขึ้นก่อนก็แล้วกันไม่มีไม่สามารถที่จะมีใครทําได้อย่างนั้นนะไม่มีใครบอกว่าโอ้มันมีสี่ข้อเยอะไปขอสองก็แล้วกันไม่มีไม่มีใครทําได้หรือว่าสมก็แล้วกันหรือว่าบางคนบอกว่าน้อยไปขอห้าหรือหก็แล้วกัน ก็ไม่มีใครจะสามารถทำได้ไม่มีใครปฏิวัติได้นะครับอันนี้จึงเรียกว่าอนุตรังธรรมจักกังซึ่งอนุตรังธรรมจักกังอันนี้ก็คืออริยสัจ ท, ทั้งสี่อิเมสังยะติดังอิเมสังจตุ น, นงังอริยสัจจาณังอาจิกนาเดสนาปัญญาปนาปัตถปนาวิวรนาวิภัชนาอุตตานีกัมมัง น่ะอันนี้ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าประกาศก็คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งเปิดเผยการจำแนกการกระทาให้ง่ายๆซึ่งอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้นั่นแหละนะครับนี่นะอันนี้แหละเป็นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมแล้วเมื่อใดที่มีการประกาศเรื่องนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับมีแสงสว่างขึ้นมาในโลกแล้ว ทีนี้ในเมื่อมีแสงสว่างขึ้นมาในโลกแล้วมีเรื่องอริยศาสตร์ให้ฟังแล้วเราทั้งหลายอยากจะลืมตาอยากอยู่ในความมืดอันั้นก็เรื่องของเราแล้วส่วนโอเรารู้ว่าโอวันนี้คือแสงสว่างเรามาฝึกฝนแล้วก็ได้ตาสว่างอย่างนี้นะครับต่อไปในย่อหน้าที่สามอ่านพร้อมกันนะครับเสวธาพิกฆเว สารีปุตตะโมคคันลานีพระชะาติพิคเวสารีปุตตะโมคคันลานปันดิตาพิกขูอนุคาหากาสพระมัจจรีนังเสะยะถาปิพิกคเวชะเนตาเอวังสารีปุตโตเสะยะถาปิชาตัสสะ อาปาเดตาเอวังโมคะลาโนสารีปุตโตภิกขเวโสโตตาปฏิภตตเลวิเนติโมคะลาโนอุตตมัะเถสารีปุตโตภิกขเวปะโหติจัตตาริอาริยสัจจานิวิถาเรนะ อาจิกขิตุงเดเสตุงปัญญาเปตุงปัทถเปตุงวิวาริตุงวิภาชิตุงอุตานีกาตุนติอินามโวจะพักวาอิดังวัตวานะสุขโตอุทธายาสนาวิหารังปาวิสิ โล่งตรัสต่อไปว่าเสวัฏะพิกเวสารีปุตตะโมคขลานีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงคบกับพระสารีบุตรและพระโมคขลานะเธอเสวัะก็แปลว่าจงคบจงเชื่อถือจงฟังตั้งใจฟังสารีบุตรกับโมคขลานะนะอย่าเชื่อตัวเองมากนะให้คบคบสารีบุตรไว้อย่าคบคนอื่น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงคบพระสารีบุตรและพระโมกขลานะภาชัฏฐะภิคเวสารีปุตตะโมกขลานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำความคุ้นเคยจงเข้าไปหาเข้าไปใกล้ๆพระสารีบุตรและพระโมกขลานะจงคบคบหาเข้าไปฟังเข้าไปใกล้ๆ เข้าไปทําความคุ้นเคยกับพระสารีบุตรและพระโมคขลานะปัณฑิตาภิกขูอนุคาหักาสัพรามจารีนังเพราะว่าพระสารีบุตรและพระโมคขลานะนั้นเป็นบัณฑิตเป็นท่านที่เป็นบัณฑิตนะอยากรู้จักบัณฑิตก่อนนี่ยยกตัวอย่างมาแล้วสองท่านแล้วพระสารีบุตรกับพระโมคขลานะนะพระพุทธเจ้ารับรองว่านี่สองท่านนี้เป็นบัณฑิตนะ เป็นผู้ที่อนุเคราะห์ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ที่อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานั้เป็นบัณฑิตเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเพื่อนที่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันประพฤติฝึกฝนตนเองเพื่อถึงความพ้นไปแห่งทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าพรหมจารีอนุคาห์กาแปลว่าอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ถ้ายังต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือช่วยเหลือให้ช่วยเหลือตัวเองได้เรื่องนี้เรียกว่าอนุเคราะห์นะครับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่อันนี้ผู้ที่ควรอนุเคราะห์คือผู้อย่างนั้นเช่นว่าเรามีลูกใช่ไหมมีลูกลูกยังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือเขาอันนี้เรียกว่าอนุเคราะห์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันพระสารีบุตรกับพระโมกขลานะเป็นบัณฑิต เป็นผู้ที่อนุเคราะห์เพื่อนพรมจารีทั้งหลายเสยถาปิภ e ิขเวชเนตาเอวังสารีปุตโตดูก่อนภิกษุนทั้งหลายพระสารีบุตรนี้อุปมาเหมือนกับผู้ที่ทําให้เกิดชเนตาแปลว่าผู้ทําให้เกิดเกิดใหม่แต่เดิมเป็นปุถุชนก็ทําให้เป็นผู้ที่เกิดเกิดใหม่อีกทีนึงเป็นพระอริยเจ้านะแต่เดิมไม่เคยรู้ธรรมะ เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็ทําให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกสามารถชี้แจงบอกเก่งว่างั้นแนหะเก่งในเรื่องนี้ฉะนั้นคนที่บอกคนแรกๆนี่เก่งกว่าคนบอกหลงัลงๆนะเก่งมากต้องมีอุปมาอุปไมยเยอะมีปัญญาเยอะจึงจะบอกได้เพราะว่าคนไม่รู้เรื่องบางคนนี่มันทําท่าเก่งคือหมายถึงว่าพวกคนผ่านมันสําคัญว่าเป็นบัณฑิตมันเยอะไงฉะนั้นต้องเป็นบัณฑิตมากๆจึงจะสามารถสอนคนเหล่านี้ได้ ถ้ามีความรู้แล้วไม่รู้วิธีสอนมันก็สู้พวกนี้ไม่ได้ผู้พวกนี้มันเก่งไงมันคิดว่ามันเก่งไงมันไม่ยอมฟังนะครับพระองค์ก็บอกว่าพระสารีบุตรนี้เหมือนกับผู้ทำให้เกิดชั้นเนตาเสยถาปิชาตสสะอาปาเตตาเอวังโมคลาโนส่วนพระโมคลาเนี้น้เหมือนกับผู้ที่ดูแลผู้ที่เกิดแล้ว เลี้ยงดูคนที่เกิดมาเรียบร้อยแล้วหลังจากมีสัมมาทิฏฐิเรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นพระโสดาบันเรียบร้อยแล้วพระโมคคัลลานะก็จะดูแลต่อไปได้ดูแลคนที่เกิดแล้วส่วนพระสารีบุตรนี่ทำคนที่หลงๆอยู่ให้เข้าใจถูกทำคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ให้เป็นอริยะเจ้าขั้นต้นได้เก่งนี่พูดถึงความสามารถของท่านนะพระสารีบุตรเหมือนกับผู้ที่ทาให้เกิด ส่วนพระโมคคัลลานะเหมือนกับผู้ที่ดูแลคนที่เกิดแล้วเลี้ยงดูคนที่เกิดแล้วสารีปุตโตภิกขเวโสตาปฏิภเลวินเนติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสารีบุตรนั้นสามารถแนะนําให้ตั้งอยู่ในโสตาปฏิผลนี่นะพระองค์ก็แนะนํารับรองอย่างนี้นะถ้าใครชอบอ่านของพระสารีบุตรเนี่พระองค์รับรองว่าอย่างเนี้คือว่าพระสารีบุตรนี้แนะนํา ให้ถ้าแต่เดิมเรามีมิจฉาทิฏฐิก็อ่านของภาษาริบุตรนี่จะทำให้มีสัมมาทิฏฐิได้แนะนำให้อยู่ในโซดาปฏิผลโมคะลานอุตมัตเถส่วนพระโมคะลาน ะ, นะนั้นแนะนำในผลเบื้องสูงขึ้นไปอีกต่อไปพระองค์ก็ตรัสว่าสารีปุตโตพิกเวปะโหติจัตตาริอริยสัจจานิวิถาเรนะ อาจิกิตุงเดเสตุงปัญญาเปตุงปัตถเปตุงวิวริตุงวิภชิตุงอุตตานีกาตุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีความสามารถปโหติแปลว่ามีความสามารถมีความช่ำชองมีความเก่งนี่พระพุทธเจ้าก็รับรองรับรองพระสารีบุตรเรื่องนี้ว่ามีความเก่งมีความสามารถ ที่จะบอกอาจิกิตุงที่จะบอกเดเสตุงเพื่อที่จะแสดงปัญญาเปตุงเพื่อบัญญัติปัตถเปตุงเพื่อกําหนดแต่งตั้งวิวริตุงเพื่อเปิดเผยวิพัชิตุงเพื่อจําแนกอุตตานีกาตุงเพื่อกระทําให้ง่ายๆ จัตตาริอริยสัจจานิซึ่งอริยสัจทั้งหลาย4ประการวิถาเรณโดยพิสดารพระพุทธเจ้าก็รับรองท่นานพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายๆซึ่งอริยสัจทั้งหลาย4ประการโดยพิสดารได้นะครับ อิดามโวจาพะควาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้จบเรียบร้อยแล้วอิดังวัตวานะสุขโตอุทธายาสนาวิหารังปาวิสิพระสุตคตรันตรัสอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วหลีกไปสู่วิหารน่อย่างนี้นะครับซึ่งต่อไปการจาแนกอริยสัจ ท, ทั้ง4ก็จะเป็นระสาดิบุรนั่นแหละที่จำแนก แต่ว่าเริ่มต้นสูตรนั้นพระองค์ก็เกล็นนำให้ก่อนแล้วก็บอกให้คบหาท่านพระสารีบุตรกับพระโมคขลานะบอกว่าพระสารีบุตรกับพระโมคลานะนี้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายได้พระสารีบุตรเหมือนคนทำให้เกิดส่วนพระโมคลานะเหมือนคนดูแลคนที่เกิดแล้วพระสารีบุตรแนะนาให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพัส่วนพระโมกขลานะ แนะนำให้ในผลเบื้องสูงขึ้นไปพระษาริบุตรนี้เป็นผู้สามารถที่จะจำแนกอริยสัจ ท, ทั้งสีโดยพิสดารได้นีพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะแล้วก็เข้าวิหารไปนะสรุปง่ายๆคือจะให้ภาษาริบุตรแสดงนั่นแหละนะแต่ว่าเกิด น, นำก่อนนะเกิด น, นาว่านี่ภาษาริบุตรเก่งนะมีความสามารถที่จะแสดงอริยสัจให้พิสดาร เหมือนกับที่พระองค์แสดงเอาไว้ได้แล้วก็แนะนำโดยถูกต้องได้เป็นบันดิตอนุเคราะห์เพื่อนพรหมจรรย์ได้นะครับนะซึ่งการจำแนกอริยสัจทั้ง4ี่ก็จะเป็นภาษาดิบุตรจำแนกแต่ตอนเริ่มต้นพระองค์ก็ได้กล่าวเบื้องต้นขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ